ลำดับที่เจ็เมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2552โดยพระคันชิตคุณวโรวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวศกวันจังหวัดนครปฐมขอเจริญพร สำหรับในวันเสาร์นี้โยมก็ได้ปฏิบัติกรรมฐ า, านกันประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยกันจเจริญพรวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของฐานคราวที่แล้วนั้นอาตอมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของฐานว่าประกอบด้วยองค์สามก็คือผู้ให้ผู้รับแล้วก็สิ่งของที่จะให้วันนี้เราจะมาดูรายละเอียด ในแต่ละหัวข้อกันในเรื่องขององค์ประกอบสามอย่างนี้ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเริ่มต้นเลยเอาในแง่ของปฏิภาหกก่อนก็คือในแง่ของผู้รับอย่างที่อาตมาได้บอกเอาไว้ในคราวที่แล้วว่าถ้าผู้รับนั้นมีศีลมีสั์ป ร, ระพฤติปฏิบัติชอบผู้รับนั้นเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ ให้กับส่วนรวมมากมีกิเลสเบาบางท่านนั้นมีอนิสงฆ์มากเพราะในแง่ของผู้รับนั้นท่านก็เลยแบ่งออกมาเอาแบ่งออกมาอย่างไรมีพระสูตรที่ชื่อว่าธานาสูตรที่ท่านกล่าวถึงในเรื่องของอปฏิคาหคือผู้รับนั้นว่าการให้กับบุคคลแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันรวมไปถึงการให้กับใครที่จะมีอนิสงฆ์มากที่สุดด้วย ในพระสูตรนี้อาตมาจะขอสรุปเลยก็แล้วกันในพระสูตรนี้ท่านกล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าการให้นะการให้ทานนะถ้าองค์ประกอบอื่นๆเหมือนกันหมดนะอันนี้มุ่งแค่องค์ประกอ บ, อบคือผู้รับเท่านั้นให้กับบุคคลนะหรือให้กับบุคคลที่ทุกข์ศีลคือเป็นคนแต่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีท่านบอกว่าอาณิสงนั้น ยังมากกว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานอันนี้สําหรับคนไทยบางกลุ่มอาจจะบอกว่าเอ้ไม่ไม่น่าจริงหรือไม่น่าใช่ใช่ไหมเพราะอะไรที่ท่านจึงกล่าวว่าอย่างนี้โยมลองสังเกตดูนะหนึ่งในแง่ของสัตว์นั้นการพัฒนาของเขาทําได้จํากัดแม้ว่าเราจะเลี้งดูเขาให้มากเพียงใดก็ตามนะจะฝึกฝนเขาได้มากเพียงไหนก็ตาม เขาไม่สามารถเจริญไปมากกว่าสัญชาตญาณของเขายากที่จะเจริญไปมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นการให้กับสตัตว์เดรัจฉานนั้นจึงช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าให้กับคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีนั้นถ้าฝึกเขาดีพัฒนาเขาได้ดีเขาสามารถที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้และสามารถที่จะมาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้น กับสังคมโดยส่วนรวมหรือแม้แต่กระทั่งต่อตัวของเขาได้ใช่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าให้กับบคุคคลผู้ทุกศีลคือตอนนี้เขาอาจจะทุกศีลหรือทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนี่ถ้าในอนาคตเขาสามารถกลับตัวเป็นคนดีบคุคคลนั้นเนี่ยอาจจะทำคุณประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลให้แก่ส่วนรวมหรือแม้แต่ให้แก่ตัวของเขาเองก็ได้ ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆเช่นในสมัยพุทธกาลมีบุคคลหนึ่งนะซึ่งเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วไปฆ่าคนบันนักต่อ น, นักบุคคลอย่างนี้ทุศีนไหมเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเป็นคนไม่ดีใช่ไหมถ้ามองแค่พฤติกรรมของเขาในะขณะนั้นนะถ้าเราไม่มองลงไปลึกมากกว่านั้นหรือไม่ไ ป, ไปมองรายละเอียดมากกว่านั้น แต่บางคนเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกลับช่วยนะบุคคลผู้นี้พระพุทธเจ้ากลับช่วยเพราะท่านเล็งเห็นว่าเพราะเขาถูกหลอกหรือถูกความบีบคั้นอื่นๆเข้ามาบีบคั้นเขาจึงทําสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเหล่านั้นมันคนที่ไม่ดีเนี่ยโยมลองสังเกตเถอนะส่วนใหญ่แล้วอาจจะเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตของเขาหรืออาจตั้งแต่ตอนที่เขาเด็กๆอาจจะได้รับการอบรมสั่งสอนมาไม่ดี หรืออยู่ในสภาพสังคมที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเขาจึงทำสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อพูะเจ้าช่วยบุคคลผู้นี้กลับกลายเป็นบุคคลที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นเนื้อนามเป็นของโลกคือเป็นพระอรหันต์ได้ข้าคนมาประมาณสักเก้าสิบกว่าคนละนะเกือบร้อยคนนะเกือบร้อยคนใครเอ่ย องค์คุลิมานนี่แหละคือศักยภาพของคนซึ่งซึ่งสูงกว่าสาัตว์เดรัจฉานเปน็นการให้กับบุคคลแม้ว่าคนนั้นตอนนี้เขายังไม่ดีอยู่แต่เขาสามารถพัฒนาได้เขาสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้องค์คุลิมานนี่ตอนหลังเป็นพระอาหารหันต์นั้นถ้าปล่อยให้เขาตายไปเสียก่อนโดยที่ไม่ได้ช่วยเหลือเขาคุณประโยชน์ตรงส่วนนี้มันก็จะเสื่อมสูญไปใช่ไม่ใช่ อันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ า, าท่า น, นบอกว่าให้กับบุคคลผู้ทุศีลยังประเสริฐกว่านะให้กับสัตว์เดรัจฉานนะยังประเสริฐกว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานเนะพราะฉะนั้นโยมเอาอาหารไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบางทีเรามีน้ำใจกับคนที่เขาติดคุกซะหน่อยนั่นยังประเสริฐกว่านะนั่นยังประเสริฐกว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโยมไม่ต้องไปเลี้ยงสัตว์นะ คนละประเด็นกันนะอันนี้หมายถึงอั น, นิสงฆ์ถ้าให้เลือกนะแต่ถ้าทําได้ก็ทั้งคู่เลยใช่ไหมเราให้หรือช่วยเหลือกับใครได้ก็ช่วยเหลือเขาเถอะนะแต่ก็ช่วยเหลือเขาในทางที่จะให้เขากลับตัวเป็นคนดีหรือในทางที่จะสร้างสารรค์เขาให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นมาถ้าอย่างนี้จะประเสริฐกว่าอันนี้ในแง่ของผู้รับนะท่านกล่าวต่อมาอีกว่าให้บุคคให้กับบุคคลอผู้มีศีลผู้ประพฤติปฏิบัติ ด, ดี ย่อมมีอนิสงส์มากกว่าให้กับบุคคลผู้ทุศีลอันนี้คงไม่ต้องพูดใช่ไหมอันนี้เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าคนนั้นประพฤติปฏิบัติดีเราช่วยเหลือเกือ้อกูลเขายิ่งประพฤติปฏิบัติได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งเขาย่อมกําจัด ก, กิเลสได้มากยิ่งขึ้นนะให้กับบุคคลผู้มีศีล น, นอกศาสนานะนอกศาสนาพุทธนะอันิสงสย่อมน้อยกว่าให้กับบุคคลผู้มีศีล ในพุทธศาสนาก็คือพร ะ, พระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นทำไมเป็นอย่างนั้นนอกศาสนานั้นเป็นคนดีได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ความรู้ความเข้าใจที่จะพัฒนาตัวเขาให้ดีมากขึ้นไปกว่านั้นมันไม่มีใช่ไหมใช่ให้กับบุคคลผู้มีศีลผู้มีปัญญายังมีอานิสงส์น้อยกว่า ให้กับพระอริยะบุคคลคือพระโสดาบันอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพระโสดาบันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะแม้เป็นคาราสในเป็นพระโสดาบันก็มีในสมัยพุทธกาลมีเยอะแยะเลยเพราะอะไรเอ่ยพระโสดาบันนั้นมีกิเลสเบาบางมีทิฏฐิหรือความเห็นที่ตรงแล้วรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติแล้วเพราะฉันให้กับบุคคลผู้นี้เช่นนี้ ย่อมเกิดประโยชน์มากกว่าเขาย่อมเอาไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมมากกว่าและท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีกิเลสเบาบางแล้วนั่นเองให้กับพระโสดาบันอา น, นิสงส์ย่อมน้อยกว่าให้กับพระสกทาคามีให้กับพระสกทาคามีาามอา น, นิสงส์ย่อมมากกว่าพระโสดาบันเพราะอะไร พระสกทาคามีกิเลสเบาบางกว่าพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีกิเลสเบาบางน้อยกว่าเป็นผู้ที่เห็นความจริงได้ชัดเจนมากกว่าพระโสดาบันท่านจึงบอกว่าอานิสงส์มากกว่าให้กับพระสกทาคามีอานิสงส์ยังน้อยกว่าให้กับพระอนาคามีอันนี้ก็พเพราะกิเลสของพระอนาคามีเบาบางลงไปมากกว่านั้นอีกพระอนาคามีนี้เรียกว่าลักสังโยชน์เบื้องต่ำ ห้าข้อแรกได้หมดแล้ว ส, สังโยชน์เบื้องสูงเหลือน้อยเต็มที่สังโยชน์ก็คือกิเลสนั่นเองให้กับพระอนาคามีอานิสง์ย่อมน้อยกว่าให้กับพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ท่านสิ้นกิเลสหมดกิเลสแล้วเป็นผู้ที่ให้กับสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริงให้กับพระอรหันต์อนิสง์ย่อมน้อยกว่าให้กับ พระปัจเจกพุทธเจา้าให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าย่อมมีอนิสงส์มากกว่าเพราะอะไรเ อ, อ่ยพระปัจเจกเจพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นรองก็แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณความดีมากเป็นรองก็แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น อานิสงสมย่อมน้อยกว่าให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างแท้จริงสามารถช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอานิสง์ยังน้อยกว่าน้อยกว่าใครเอ่ยมีอีกไหมให้กับสง์โดยส่วนรวมซึ่งสงโดยส่วนรวมนั้นท่านก็บอกว่า ให้กับสงโดยส่วนรวมคือภิกษุและภิกษุณีสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธา น, นหรือให้กับภิกษุนีสงหรือภิกษุสงฝ่ายเดียวอันนี้ใล้กับสงโดยส่วนรวมแม้แต่นะท่านเปรียบเทียบอย่างนี้แม้แต่ให้กับพระภิกษุสงในอนาคตซึ่งมีเพียงแค่ผ้าห้อยคอเป็นสัญลักษณ์เท่านั้น แต่ผู้ให้นั้นน้อมถวายให้สงโดยส่วนรวมนั่นอ น, นิสงก็ยังมากกว่าเพราะในการให้นั้นการให้เฉพาะกับเจาะจงกับบุคคลสูงสุดคือให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการให้เฉพาะเจาะจงกับบุคคลนั้นภาษาธรรมมีชื่อเรียกว่าปาติปุ ค, คลิกฐานนี่คือการให้เฉพาะเจาะจงถ้าให้เจาะจงกับตัวบุคคล อา น, นิสงส์สูงสุดคือให้กับพระสมาสัมพุทธเจ้าแต่การให้เจาะจงกับบุคคลได้บุคคลหนึ่งท่านบอกอา น, นิสงส์ยังน้อยแม้แต่ให้กับพระสมาสัมพุทธเจ้าน้อยกว่าให้กับสง์โดยส่วนรวมทั้งหมดให้กับกลุ่มคคลที่ประพฤติปฏิบัติชอบทั้งหมดนี่ว่าโดยเรื่องของปฏิคาหกคือผู้รับการให้กับสง์โดยส่วนรวมนั้นจะมีชื่อเรียกว่า ว่าอะไรเอ่ยสังฆทานนะสังฆแปลว่าสงหรือสังคมหรือ ส, ง, สงโดยส่วนรวมทานคือการให้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าโยมมาถวายสังฆทานสังฆทานเ น, น้นนะไม่ใช่ว่าให้กับพระรูปนั้นรูปนี้นะนต้องเข้าใจให้ถูกนะโยมนีมนุ์พระมาในธนะเป็นตัวแทนของสงแต่เวลายมตั้งเจตนาตั้งใจถวายขอให้โยมตั้งเจตนาถวายให้สงโดยส่วนรวมที่บวชในพระพุทธศาสนาทั้งหมด จิตใจโยมจะได้กว้างขวางไม่ติดยึดอยู่ในตัวบุคคลใดตัวบุคคลหนึ่งครนที่เราลองมาพิจารณาซิว่าทำไมให้กับสงโดยส่วนรวมนั้นจึงมีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากอ้าวลองมาพิจารณากันดูสักนิดหนึ่งถ้าโยมให้กับบุคคลไดบุคคลหนึ่งบุคคลนั้นถ้าเกิดเขามีของเยอะแล้วของที่โยมให้นั้นจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อเขาไหม มันจะไม่เกิดประโยชน์ดีไม่ดีกลายเป็นภาระของท่านหรอนนั่นอีกใช่ไหมใช่อย่างที่สองกลายเป็นการสะสมอีกแต่ถ้ายอมให้กับสงศ์โดยส่วนรวมของนั้นถ้าพระพิสุสงศ์ใดต้องการใช้ท่านสามารถขอแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนั่นประโยชน์จะเกิดกับพระศาสนาในวงกว้างมากกว่าในแง่ของการบุคคลที่ทําคุณงามความดีด้วยนอกจากนั้นทําให้คนไม่ติดยึดใช่ไหม ไม่ติดจิตในตัวบุคคลแต่มุ่งในเรื่องของอะไรเอ่ยมุ่งในเรื่องของการที่ให้เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งหมดท่านจึงบอกว่ามีอา น, นิสงส์มากกว่าอีกประการหนึ่งบุคคล น, นั้นมีอายุอย่างมากก็ไม่เกินร้อยี่สิบปีโยมให้เฉพาะเจาะจงโยมผูกพันในตัวบุคคล น, นั้นเมื่อบุคคล น, นั้นท่านเสียไปแล้วหรือมรณะฆ่าไปแล้วเป็นยังไงเอ่ย หมดเลยเคว้งเลยใช่ไหมโยมแต่ถ้าส่งโดยส่วนรวมแหละอยู่ต่อไปอีกาำงานเท่านานได้แล้วแต่ในเรื่องของสตาธาของคนแล้วแต่ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเข้ามาประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการให้กับสงโดยส่วนรวมจึงมีอานิสงส์มากอีกอย่างหนึ่งโยมลองสังเกตนะถ้าโยมให้กับสงโดยส่วนรวมนเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของส่วนรวมทั้งหมด ใช่ไม่ใช่ในการที่จะแบ่งปันสิ่งของเหล่านี้ไปให้กับบุคคลที่มีน้อยกว่าหรือบุคคลที่ขาดแคลนเท่ากับเป็นการกระจายออกไปสู่บุคคลที่เขาต้องการจริงๆและบุคคลที่กําลังทําคุณงามความดีด้วยไม่วเวลาถวายสังฆทานนะโยมให้โยมตั้งใจให้ถูกต้องบอกกับพระพิสุสงฆ์ว่าจะขอถวายสังฆทานให้กับสงโดยส่วนรวมทั้งหมดให้ตั้งเจตนาตั้งใจว่าอย่างนี้ส่วนที่เหลือนั้นสงก็จะไป จัดการตามความเหมาะสมอีกทีหนึ่งถ้ามองอย่างนี้ก็ทุกคนพระพิสุสงฆ์ที่เข้ามาบวญในพุทธศาสนาทุกคนมีโอกาสได้ใช้ของของโยมทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่อีกประการหนึ่งโยมลองสังเกตยังโยมทำอาหารมาสมมตินะยองทำอาหารมาบอกว่าตั้งใจจะวะถวายให้พระรูปในรูปนั้นรูปนี้ถ้าเกิดพระรูปนั้นไม่ได้ฉันอาหารที่โยมนามาถวายโยมรู้สึกยังไง จิตตกเลยใช่ไหมยิ่งแบบคนทำอาหารเองด้วยนี่ยิ่งแย่เลยใช่ไหมแบบตั้งใจมากเลยทำไมท่านไม่ ท, ไมท่านไม่ใช่ทำไมท่านไม่ฉันใช่ไม่ใช่ยิ่งบอกว่าอยากจะให้กับพระรูปนี้แต่พระรูปอื่นกลับเอาไปฉันอีกบางทีโยมโกรธเลยนะ <c oughs> อ้าวจริงไม่จริงทำไมเอาไปฉันฉันต้องการจะให้กับพระรูปนั้นรูปนี้ทำไมท่านไม่ฉันท่านกลับให้พระรูปอื่นอีกแม่สัทธาตกทันทีเลยใช่ไม่ใช่ คนนี้จิตยอมกลับคับแคบดีไม่ดีกลับกลายเป็นอกุศลแต่ถ้ายมถวายให้สงศ์โดยส่วนรวมทั้งหมดละ่ะพระรูปไหนฉันโอ้ดีใจทั้งนั้นเลยใช่ไม่ใช่คนนี้ใครกาไรเอ่ยตัวผู้ให้เองนั่นแหละกาไรใช่ไมกไรในที่นี้ก็คือเกิดคุณงามความดีมากยิ่งขึ้นจิตใจย่อมเบิกบานมากยิ่งขึ้นยิ่งเห็นพระมาหลายรูป ฉันอาหารที่เรามาันนํามาถวายอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยิ่งดีใจหรือแม้กระทั่งเอาของมาถวายพระเอาของถวายให้สงศ์โดยส่วนรวมเห็นพระภิกษุสงฆ์รูปไหนใช้เราก็ดีใจแล้วใช่ไหมใช่จิตใจมันจะไม่คับแคบนะจิตใจมันกลับกว้างขวางยิ่งเห็นสิ่งที่เราให้ไปนั้นเกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากมีบุคคลเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงได้มากเรากับยิ่งดีใจใช่ไหมใช่ในเรื่องนี้ มีมาในสมัยพุทธกาลขออภัยในสมัยพุทธกาลนั้นพระนางมหาประชาบดีพระนางมหาประชาบดีคือใครเอย่ยคือใครอาหาพระเจ้านะ้านะก็เป็นจริงๆแล้วก็คือเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นแม่นม ของเจ้าชายสิทธัตถะนะเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากที่พระนางสิริมหามายานั้นสิ้นพระชนน์พระนางมหาปชาบดีนั้นย่อมมีความรักความผูกพันในเจ้าชายสิทธัตถะมากพระนามีอยู่ครั้งหนึ่งอุตสา ล, ลงมือนะทำจีวรด้วยมือของพระนางเองทําเองนี่เริ่มต้นตังต้งแต่ปั่นได้เลยนะหมายถึงเอาเอาได้มาปั่น เอามาเอาได้มาปั่นเข้าม้วนเสร็จแล้วเอาได้นั้นไปย้อมไปย้อมเสร็จเอามาทอเป็นผ้าด้วยมือของพระนางเองไม่ใช่ไปซื้อโยมคิดว่าเป็นยังไงเอ่ยความตั้งใจของพระนางนึกยง่ายๆกับความรักความผูกพันเหมือนความรักความผูกพันของแม่ที่มีตาลกูกนั่นแหละอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดอยากที่จะทำด้วยมือของพระนางเองเอาได้มาปั่นเองทอผ้าเองทอผ้าแล้วตัดเย็บเองทั้งหมด เป็นผ้าเนื้อดีมากนะเป็นผ้าเนื้อดีมากพระนางทำอย่างสุดฝีมือเลยตั้งใจจะไปถวายให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระนางเสด็จไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็บอกแจ้งแก่พระองค์ว่าพระนางต้องการที่จะถวายผ้าเนื้อดีที่พระนางตั้งใจทำโดยเฉพาะทำกับมือของพระนางเองให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนนั้นถ้าพระสมาสัมพุทธเจ้ารับพระนางจะรู้สึกยังไงเอ่ยโอ้โหดีใจมากเลยนะโยมลองนึกถึงนะดีใจมากเพื่อนปิติใช่ไม่ใช่โยมว่าพระสมาสัมพุทธพะพทธเจ้ารับไหมไม่รับอะโยมลองนึกถึงมือนึกถึงคนทําสิ ท, าทํามาแทบแย่ ท, ทํามาแทบตายตั้งใจโดยเฉพาะเลยว่าอยากจะถวายให้กับท่านแต่พระสมาสัมพุทธเจ้าท่านกลับไม่รับ ท่านบอกว่าท่านไม่รับขอให้พระนางไปถวายให้พระที่สุดสองรูปอื่นเถิดที่ไม่รับนี่ถ้ามองในภายในภายนอกเป็นยังไงเอ่ยถ้าสมมุติว่าเป็นพระทั่วไปเนี่ยนะแม่อุตชาเอาของมาถวายอย่างนี้ตั้งใจถวายให้กับตัวเองบอกไม่รับเอาไปถวายให้พระรูปอื่นรู้สึกยังไง <c oughs> <c oughs> นะใช่ไหมใช่พระนางมหาประชาบดีก็เสียใจยเสียใจ แต่พระนางอุตสาห์ทมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้ไปถวายพระพิสุส่งรูปอื่นเถิดพระนางก็เอาไปถวายเว้นจากพระสมมาสัพพุทธเจ้าแล้วพึ่งถวายให้กับใครใครดีเอ่ยพระสารีบุตรเพราะนั่นคือพระอัครสาวกเบื้องขวาพระนางก็น้อมไปถวายพระสารีบุตรบอกไปถวายพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่รับท่านบอกให้เอาไปถวายให้กับพระลูกอื่นเถิด เอามาถวายให้พระสารีบุตรพระสารีบุตรรับไหมไม่รับแอ้เหาคนทถวายเป็นยังไงเอ่ยพระสารีบุตรก็ไม่รับไปถวายพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็ไม่รับจนท้ายที่สุดไปถวายให้พระอานนท์พระอานนท์ก็ไม่รับไม่มีพระภิกษุสงฆ์รูปใดรับเลยเป็นยังไงเอ่ยผู้ที่ทา สุดท้ายพระนางก็เลยกลับไปหาพระสมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีพระภิกษุสงฆ์รูปใดรับเลยพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์แล้วก็ตรัสกับพระนางมหาประชาบดีว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พระนางน้อมถวายให้กับสงฆ์โดยส่วนรวมเถิดจีวรนี้ย่อมเกิดประโยชน์ย่อมยังประโยชน์อย่างแท้จริงพระนางมหาประชาบดีก็เลยน้อมถวายให้กับสงฆ์โดยส่วนรวมโดยขณะที่ถวายนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เป็นยังไงเอ๋ยคนนี้จิตใจของคนถวายโอ้โหคนนี้ยิ่งปลื้มปิติเลยใช่ไหมไม่ใช่ถวายให้รูปเดียวเท่านั้นนะคือถวายให้แต่ละรูปแต่ละรูปท่านไม่รับแต่เมื่อ น, น้อมถวายให้สงศ์โดยส่วนรวมมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานก็เหมือนกับพระนางได้ถวายให้กับสงศ์ทั้งหมดจิตใจท่านของพระนางย่อมปลื้มย่อมเกิดความปิตินะย่อมโกเกิดความปรับเรื่อแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยอธิบายให้ฟัง ว่าทานที่ให้นั้นปาติปุ ก, กธิทานนั้นมีอานิสงส์น้อยแต่การให้สังฆทานนั้นย่อมมีอนิสงส์มากกว่านี่คือความปรารถนาดีของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อพระนางมหาปชาบดีเพราะเห็นว่าพระนางนั้นมีความตั้งใจอย่างมากในการที่จะทําสิ่งต่างๆด้วยมือของพระนางเองแต่การให้ถ้าให้กับพระองค์นั้นอนิสง์ยังน้อยกว่าให้กับสงโดยส่วนรวมจึงให้พระนางมหาปชาบดีนั้นน้อมถวายให้กับ พระภิกษุสงฆ์โดยส่วนรวมทั้งหมดนี่แหละพอถวายให้กับสงฆ์โดยส่วนรวมเนี่ยพนางย่อมเกิดความปรับปรื่มมากย่อมเกิดความปรื้นปิติมากเพราะฉะนั้นในการถวายสังฆทานเนี่ยย่อมต้องตั้งเจตนาตั้งใจให้ถูกถวายให้กับสงฆ์โดยส่วนรวมนะนึกถึงพระสงฆ์ที่บวชทั้งหมดในพระพุทธศาสนาแล้วเราจึงให้เราจึงถวายไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าต้องรูปนั้นรูปนี้หรือวัดนั้นวัดนี้ ยมดูลองช่วยกันดูนิดหนึ่งนะไม่ยอมจะให้ของที่ใดเดือดร้อนที่ใดที่ท่านขาดแคลนนะที่ใดที่มีพระประพฤติปฏิบัติชอบแต่ท่านขาดแคลนเรื่องนั้นเรื่องนี้ช่วยกันสอดส่องช่วยกันดูดูกันนิดหนึ่งถ้ายมให้อย่างนี้น้อมถวายให้กับสงฆ์โดยส่วนรวมทั้งหมดอ น, นิสงส์งย่อมมากที่สุดย่อมสูงสุดแต่คนไทยปัจจุบันนี้ติดใช่ไหมโดยเฉพาะติดในแง่ของตัวบุคคล ในที่นี้ก็เลยต้องอธิบายให้โยมฟังสักนิดหนึ่งนะเพราะบางทีโยมม า, าถวายของมาบอกให้ถวายสังฆทานโยมบางทีโยมอาจจะรู้สึกขัดใจเอ๊ะจะถวายให้ท่านทำไมต้องให้ถวายสังฆทานทำไมต้องให้น้อมถวายกับสงฆ์โดยส่วนรวมเพราะประโยชน์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับโยมเองนะและโยมเองก็เป็นการฝึกตัวของเราด้วยในการที่จะคำนึงถึงส่วนรวมในการที่จะให้กับส่วนรวมทั้งหมดนะโดยที่ไม่ได้เฉพาะจะจงลงไปที่พระรูปใดรูปหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งเนี่ยแหละ ในแง่ของปฏิคาหกนะให้กับสงฆ์โดยส่วนรวมย่อมมีผลมากย่อมมีอานิสงฆ์มากนะอันนี้ก็ยกในพระสูตรมาเล่าให้ฟังแล้วก็ยกในเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าท่านได้เคยทำให้เป็นตระยากนะก็คือตอนที่พระนางมหาประชาดีนั้นมาถวายของให้กับท่านนะอา่ามีคำถามไหมเอ่ยในแง่ของปฏิคาหกหรือผู้รับไม่มีนะเพราะอันนี้ค่อนข้างจะ ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะในแง่ของผู้รับนะอีกอย่างหนึง่งในแง่ของผู้รับนะขอให้ยมสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะการให้กับผู้รับนั้นนะผู้รับถ้าประพฤติปฏิบัติชอบมีกิเลสน้อยนะอา น, นิสงส์นั้นย่อมมากกว่าอันนี้เป็นของอทั่วไปอยู่แล้วนะแต่ดีขึ้นไปกว่านั้นถ้าผู้รับสร้างสารรค์คุณงามความดีให้กับสังคมโดยส่วนรวมมากนะอา น, นิสงส์ย่อมมากกว่า แต่ในที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้โยมให้เฉพาะเจาะจงกับบุคคลนะเป็นไปได้โยมมีโอกาสให้เมื่อไร่มีโอกาสช่วยเหลือเมื่อไรโยมให้และช่วยเหลือนะแม้ว่าอา น, นิสงส์จะน้อยกว่าให้กับสงโดยส่วนรวมทั้งหมดนะเช่นเราให้กับคนที่บ้านให้กับเพื่อนร่วมงานนะอย่าไปนึกถึงว่าฉันจะได้อะไรเรามีโอกาสได้ช่วยเราช่วยแล้วก็ช่วยให้เต็มที่มันเหมือนกับ มีของยมขายของราคาห้าบาทราคาส0บาทราคา1้อยบาทราคาพันบาทราคาหนึ่งแสนบาทยมมุ่งแต่จะขายของราคาหนึ่งแสนบาทอย่างเดียวหรือว่ายมจะขายของทั้งหมดดีถึงจะได้กำไรมากไม่ว่าห้าบาทสิบาทยมขายเถอะได้เงินทั้งนั้นใช่ไหมใช่ฉันได้ก็ฉันนั้นนะในการทำสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศล ไม่จําเป็นต้องไปเลือกเฉพาะถวายให้สงเท่านั้นนะเอาเรามีโอกาสทำเมื่อไรยมทําเลยทําด้วยปัญญาทําด้วยเจตนาที่ดีงามด้วยเจตนาที่เสียสละทุกครั้งที่ทำนะเกิดบุญเกิดบุญเกิดกุศลทุกครั้งทุกครั้งที่ยมทําเพียงแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสทําในสิ่งที่ดีมากกว่านั้นเราต้องค้นขวายที่จะทําหรือหาโอกาสในการทําสิ่งที่ดีมากกว่านั้นด้วย มันพอบอกว่าถวายสังฆทานอ น, นิสงส์มากนะบางคนก็จะเข้าใจผิดนว่าโอ้อย่างงี้ก็ไม่ต้องให้กับคนอื่นสิเอามาถวายพระอย่างเดียวเ <c oughs> พราะอยากได้อ น, นิสงส์มากมนะนั่นไม่ใช่นะนั่นไม่ใช่ไม่ใช่เจตนาในที่นี้เดี๋ยวยังมีต่ออีกในเรื่องของเจตนาอ่นะยังมีต่ออีกในเรื่องของเจตนาเพราะนนั้ถ้าโยมมีโอกาสได้ให้ได้ช่วยเหลือนะการให้ที่เหมาะสม การให้ตามการให้ในจังจหวัดที่เหมาะสมนั่นก็ย่อมมีอานิสงฆ์มากเช่นเดียวกันถ้ามีเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือช่วยเหลือใครได้นะโยมช่วยให้เต็มที่ใช้ให้เต็มที่ใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่โยมมีโอกาสถวายให้กับสงฆ์โดยส่วนรวมโยมก็ทําให้เต็มที่เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ยิ่งทํามากยิ่งเกิดประโยชน์เกือ้อกูลกับเรามากไม่ใช่เฉพาะกับพระภิกษุษสงฆ์เท่านั้นแต่หมายถึงกับทุกๆคนและให้กับบุคคลรอบข้างด้วย เพราะว่าเวลาอธิบายเรื่องนี้เสร็จอตมาเกรงว่าโยมบางท่านจะไปเข้าใจผิดว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราถวายสังฆทานเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้กับคนอื่นๆในสังคมเลยไม่ใช่นะมันจําไว้ว่าไม่ว่าอานิสงส์มากหรือน้อยถ้าทำเกิดคุณงามความดีมีอานิสงส์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเราก็ทําสิ่งที่มีอานิสงส์มากด้วยแม้มีอานิสงส์น้อยเราก็ไม่ลักโ อ, อกาสนั้นด้วย ถ้าอย่างนี้ก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นการพัฒนาจิตใจของเราไม่ติดจิตในวัตถุสิ่งของแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสังคมของเราด้วยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปฏิการหกอาตมาหมายถึงตรงจุดนี้นะอย่างที่สองนะอย่างที่สองอย่างที่สองนั้นก็คือในเรื่องของอผู้ใหนะ้ผู้ให้นั้นถ้ามีศีลมีกิเลสเบาบาง การให้นั้นย่อมมีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากอันนี้ในแง่ของผู้ให้อัตมาได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วอัตมาได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วในอีกครั้งที่แล้วก็คงจะไม่ขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมละและประการที่สามในแง่ของของในแง่ของของนั้นมีประเด็นหลายประเด็นด้วยกันอย่างแรกของนั้นได้มาโดยสุจริตท่านนั้นมีอนิสงส์มากได้มาโดยหยาดเหงื่อแรงกายของเรา ไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงเสมอไปนะการให้นะหนึ่งของนั้นต้องได้มาโดยสุจริตสองของนั้นเหมาะสมกับผู้รับผู้รับรับไปแล้วได้ใช้ประโยชน์สามารถเอาไปสร้างสรรสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เกื้อกูลได้อย่างเต็มที่หรือช่วยเหลือผู้รับนั้นๆทําให้เขารอดชีวิตทําให้เขาตั้งอยู่ในคุณงามความดีทําให้เขานําไปสร้างสรรสิ่งที่ดีงามได้ ถ้ายอมให้ของประเภทอย่างนี้แล้วเราก็ของนั้นทานนั้นย่อมมีอนิสงฆ์มากครั้นครี้เมื่อพูดถึงของท่านก็มีแบ่งออกไปอีกนะการให้ข้าวให้น้นะํานะท่านมีเปรียบเทียบไปอย่างนี้บุคคลถวายข้าวถวายน้ำํำนะบุคคลผู้ให้ข้าวให้น้ําชื่อว่าให้กําลังนะบุคคลผู้ให้เสื้อผ้าอาภรณษ ชื่อว่าให้วันนะให้เสื้อผ้านะหรือให้ผ้าย่อชื่อว่าให้วันนะบุคคลผู้ให้ที่อยู่ชื่อว่าให้ทุกอย่างบุคคลผู้ให้ทมชื่อว่าให้สิ่งที่เป็นอมตะอันนี้ว่าด้วยวัตถุสิ่งของที่ให้นี่คือสิ่งที่ท่านเปรียบเทียบให้ข้าวปลาอาหารชื่อว่าให้กํำลังเพราะว่าอะไรเอ่ย เพราะเมื่อบุคคลได้ข้าปลาอาหารเขาย่อมมีเรียงแรงกำลังที่จะไปประกอบกิจหน้าที่การงานหรือทำคุณงามความดีใช่ไม่ใช่ท่านจึงบอกว่าให้อาหารชื่อว่าให้เรียบแรงกำลังให้เสื้อผ้าเชื่อว่าให้วันนะเพราะว่าอะไรเอ่ยวันนะในที่นี้ก็คือเรื่องของผิวผันเสื้อผ้านั้นช่วยปกป้องบุคคลจากยุงเหลือปิ้นไร ปกป้องจากแดดปกป้องจากฝนนี่จึงท่านถึงวักเรียกว่าชื่อว่าให้วันนะบุคคลผู้ให้ที่อยู่ชื่อว่าให้ทั้งหมดคือให้ทั้งกำลังและให้วันนะเพราะว่าอะไรเอ่ยเมื่อบุคคลเกิดความอ่อนเพลียได้เข้าพักในที่อยู่เป็นยังไงย่อมเกิดเรียวแรงกำลังวังชาขึ้นมาที่อยู่นั้นที่อาศัยนั้นป้องกันเหลือบยุงลิ้นไร่ป้องกันแดดป้องกันฝนให้บุคคลได้ชื่อว่าให้วันนะด้วย ประเสริญยิ่งไปกว่านั้นคือการให้ธรรมะชื่อว่าให้สิ่งที่เป็นอมตะเพราะฉะนั้นาวาโดยวัตถุสิ่งของในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่าทวายให้กับสงฆ์หรือให้กับบุคคลถ้าปัจจัยอย่างอื่นเหมือนกันหมดอันนี้มุ่งมาที่ของนะให้ข้าปลาอาหารยังถือว่าดีน้อยกว่าให้เสื้อผ้า หรือให้จีวรกับพระพิสุทธิสงฆ์ให้เสื้อผ้าหรือจีวร น, นั้นยังอ น, นิสงส์น้อยกว่าการให้ที่อยู่ให้ที่อยู่ในที่นี้คือให้อะไรเอ่ยถ้าในแง่ของอพระพิสุทธิสงฆ์ก็คือถวายที่หรือถวายวิหารโดยเฉพาะการถวายให้กับสงฆ์ที่มาจากจตุรทิศคือถวายให้สงฆ์มาจากทิศทั้งสีหรือให้กับโดยส่วนรวมนั่นเอง เพราะเหตุนี้กระมังคนไทยจึงชอบมากเลยที่จะสร้างวัดนะแต่อย่าลืมนะว่าไม่ว่าถวายอาหารถวายจีวรหรือถวายที่อยูนะ่ไม่ว่าให้กับพระพิสุทิสงฆ์หรือให้กับใครก็ตามนะมันมีอานิสงส์ทั้งนั้นนะแม้ว่าจะแตกต่างกันมากน้อยต่างกันแต่ถ้าเราให้ได้ทั้งหมดนั้นก็ยิ่งดีกว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมใชนะ่แต่ว่าคนไทยมักจะลืมไปอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเอ่ย การให้ทาเป็นทานนะประเสริฐกว่าประเสริฐที่สุดคือการให้ธรรมะนั่นเองให้ความรู้ให้ความรู้หรือให้สิ่งที่จะไปสร้างความรู้โดยเฉพาะกับพระศาสนาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนไทยนิยมมากนะบางบางคนก็ไปนิยมสร้างพระพุทธรูปแทนจริงๆแล้วให้ข้าวปลาอาหาร อา น, นิสงส์น้อยกว่าให้เสื้อผ้าหรือจีวรให้เสื้อผ้าจีวรอา น, อ น, นสง์น้อยกว่าให้ที่อยู่แม้ให้ที่อยู่นั้นอา น, นิสงส์ยังน้อยกว่าการให้ธรรมะอันนี้ในแง่ของวัตถุที่ให้เพราะฉะนั้นถ้ายมให้ธรรมะคือให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้หลักการหรือแม้กระทั่งช่วยกันเนผยแผ่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละชื่อว่าทานที่ประเสริฐละในแง่ของวัตถุ เพรว่าอะไรเอ่ยถ้าบุคคลในสังคมรู้เข้าใจนำธรรมะเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบตัติคิดว่าสังคมนี้จะเป็นยังไงเอ่ยโหครขานี้เนี่ยในเรื่องของวัตถุในเรื่องของอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมถ้าทุกคนในสังคมร่วมกันช่วยกันใช่ไม่ใช่แต่ถ้าโยมให้แค่ข้าวเข้าวเดือดร้อนมาเอาข้าวไปถาไวายหรือเอาข้าวไปเลี้ยงคนทั่วไปกินเสร็จดีไม่ดีก็เอาเรี่ยงแรงกําลังนั้น ไปก่อความเดือดร้อนเสียหายก็มีใช่ไม่ใช่ถ้าเราไม่ให้หลักการกับเขาเราไม่ให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจแทนที่จะเอาเรี่ยวแรงกําลังนั้นไปใช้ในทางที่ดีงามไปใช้ในทางที่ถูกต้องมันอาจจะกลายเป็นตกันข้ามใช่ไม่ใช่ของใอ๋เอเจริญพรได้จเจริญพรขออภยัยพอดีมีประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะ ไม่ทราบพยมท่านใดขับรถนิสสันเลขทะเบียน6128ช่วยช่วยขยับรถนิดหนึ่งนะเจริญพรพอดีอทางตำรวจข อ, อนิดหนึ่งวันนี้พอดีอมีพระองค์สีรัตมาทำบุญนะอาจจะต้องช่วยอำนวยความสะดวกนิดหนึ่งนะเจริญพรรถนิสสัน6128มีไม่เอ่ย ไม่อยู่นะเจริญพอรอ่าเจริญพรขออนุมโมทนาอ้าวเจริญพรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อโยมให้ข้าวก็ตามให้เสื้อผ้าก็ตามให้ที่อยู่ก็ตามกับใครก็ตามโยมต้องอย่าลืมให้หลักและให้ทํามเขาด้วยนะคือให้การสั่งสอนให้การชี้แนะแล้วก็ให้การแนะนำเขาด้วย ว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรในการดําเนินชีวิตสิ่งที่ได้มานั้นควรเอาไปสร้างสารรค์สิ่งที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้อย่างไรหลักการที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตนั้นควรทำอย่างไรถ้าโยมทําอย่างนี้ควบคู่ไปกันไปด้วยโยมได้ให้ที่ประเสริฐและในแง่ของวัตถุสิ่งของเข้าใจนะอันนี้มุ่งมองในแง่ของวัตถุสิ่งของนะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยยามัวแต่ไปสร้างวัตถุเยอะ สิ่งที่สําคัญมากกว่าวัตถุก็คือตัวธรรมนะถ้าเขารู้เข้าใจอย่างนี้เริ่มต้นจากตัวของโยมก่อนมันไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างของอที่วัดนี้พ ร, พระเดชพระคุณพระพุคุณาครท่านเน้นย้ำมากในเรื่องของการให้ธรรมและในเรื่องของซีดีในเรื่องของหนังสือเนี่ยถ้าโยมปรารถนาโยมมาเอาได้เลยแต่เอาไปแล้วโยมศึกษาศึกษาแล้วโยมจะได้มี มีวัตถุมีความรู้มีธรรมที่จะเอาไปให้กับผู้อื่นโยมเพียงแค่ศึกษานํามาประพฤติปฏิบัตินําไปบอกนําไปสอนให้กับคนที่บ้านให้กับลูกๆให้กับญาติมิตรให้กับเพื่อนนั่นแหละชื่อว่าโยมให้ที่ให้การให้ที่ประเสริฐแล้วให้วัตถุที่ประเสริฐมากกว่าวัตถุอื่นๆละประเสริฐมากกว่าการสร้างวัดซะอีกดังนั้นถ้ามีโอกาสทําได้ครบนั่นยิ่งเป็นโอกาสดี ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเงินแต่ไม่ได้หมายความว่าโยมให้ไม่ได้ใช่ั้ยให้ความรู้หรือให้ทำเนยมไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทใช่ไม่ใช่และทำได้อยู่ตลอดเวลาหรือถ้ามีเงินทองเอาถ้ามีเงินทองมากกว่านั้นนะเอาในเรื่องให้ข้าวปลาให้จีวรให้ที่อยู่มีโอกาสได้ร่วมกันทำสูงขึ้นไปกว่านั้นอย่าลืมช่วยกันพัฒนาคนขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างโยม บางท่านาวันเกิดทีหนึง่งเอาอาหารไปเล่งเด็กกาพร้าเด็กยากจนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นเป็นเรื่องของการให้อะไรเอ่ยให้ข้าวใช่ไหมเป็นเรื่องของทานให้ข้าวแต่นั่นยังดีไม่พอนะเอาดีมากกว่านั้นให้เสื้อผ้าก็ดีแต่ยังดีไม่พอนะยังมีดีมากกว่านั้นคือให้อะไรเอ่ยให้ที่อยู่ใช่ไหมไปบริจาคเงินแค่นั้นยังไม่พอนะย่มควรทําให้ดีมากกว่านั้น คือไปสอนเขาด้วยสอนให้เขาฝึกปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่กระทั่งให้ทุนการศึกษากับเขาถ้าโยมให้เพียงแค่ข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าที่อยู่กับเขาเขาไม่มีโอกาสในการศึกษาต่อไปเติบโตขึ้นมาเขาก็เป็นภาระของสังคมต่อใช่ไหมใช่ถ้าโยมมีเงินจานวนเท่ากันโยมเลือกได้การให้ธรรมนั้นประเสริฐกว่า การให้การศึกษากับคนนั้นประเสริฐกว่าการให้เป็นแค่วัตถุอันนี้ก็เป็นหลักเลยในแง่ของวัตถุที่ให้ในแง่ของวัตถุที่ให้มีคำถามไหมในแง่ของวัตถุที่ให้ฉ น, นั้นฝากญาติโยมนะแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอัตมาบอกว่าไม่ต้องไปให้ข้าวไม่ต้องไปให้เสื้อผ้าไม่ต้องไปให้ที่อยู่ไม่ใช่มีโอกาสก็ทำสิใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ทาสิ่งเหล่านี้โยมต้องให้ทำประกอบร่วมด้วยเสมอ ต้องให้ธรรมะประกอบร่วมด้วยเสมอมีโอกาสเยอะเลยใช่ไหมย่างสมัยนี้เองนะไม่ว่าจะใ น, ในเชิงของพระศาสนาหรือว่าในแง่ของการศึกษาของบุคคลที่ยากไร้แล้วมีโอกาสโยมตั้งทุนการศึกษาเพ้่มาสักทุนเอานอกจากให้ในเรื่องของอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยตรงส่วนนี้แล้วเรามันเกิดก็ให้ทุนการศึกษากับเด็กหรือให้ทุนการศึกษากับพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านกําลังศึกษาเล่าเรียน หรือแม้แต่กระทั่งเอาสิ่งที่เป็นสื่อในแง่ของการศึกษาจัดหาสิ่งเหล่านี้ไปถวายให้กับพระหรือไปให้กับสถานศึกษาหรือจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับเด็กๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นน่นแหละเป็นการให้ธรรมะอย่างหนึ่งและเป็นการให้สิ่งที่ประเสริฐซึ่งจะทําให้เขาสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นฝากโยมไว้นะเพราะว่าสมัยนี้ในบางทีเวลาสร้างวัดทีหนึ่งเนี่ย โอ้ยเงินสิบล้านยี่สิบล้านแต่มาเห็นแล้วยังรู้สึกว่าเงินจํานวนมากมายแบบนั้นถ้าเอามาใช้ในการศึกษาหรืออะไรแบบนี้นประโยชน์มันจะมากกว่าแค่ตัวตึกมากมายมหาศาลเลยประโยชน์มันมากกว่าเยอะเลยแต่ว่าเรากลับละเลยนะแล้วมักจะไปติดยึดกับเพียงเพงแค่ตัววัตถุตรงส่วนนี้เท่านั้นเองนั้นฝากไว้กับญาติโยมด้วยอันนี้ก็ยกเอาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยมาเป็น ตัวอย่างให้กับโยมมาเป็นสิ่งที่เอามาสอนให้กับญาติโยมพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านถงตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทําเป็นทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงนะชื่อว่าการให้ทั้งหมดไม่มีการให้ใดที่มีอนิสงส์เสมอเหมือนการให้ธรรมะมนะั้นถ้าช่วยกันทุกคนในสังคมช่วยกันเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากในครอบครัว ในครอบครโยมให้ได้ไหมอย่างน้อยกับกลูกกับหลานของโยมให้ทุกเขาทุกวันสินําเข้าไหว้พระสวดมนต์นำเขา้เขาปฏิบัติธรรมเล่านิทานที่ดีงามให้กับเขาสอนเค้าเนี่ยแหละคือการให้ธรรมทานละโอกาสอย่างนี้โยมสามารถทําได้ตลอดเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินสักบาทด้วยแล้วยิ่งโยมให้โยมนั่นแหละจะกลับกลายเป็นผู้ที่ได้มากที่สุดโดยเฉพาะการให้ทำ ในขณะที่ยมบอกในขณะที่ยมสอนคนอื่นใครที่จะซึมซับมากที่สุดคนบอกคนสอนนั่นแหละนะพูดทุกวันเขาเนี่ยจำได้แม่นเลยใช่ไหมใช่นะเราทําให้เขาดูตอนแรกเราก็าอาจจะอยากจะทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างแต่ทําไปทําไปมันจะกลายเป็นนิสัยของเราเองเราเนี่ยแหละจะได้รับประโยชน์มากที่สุดนอ้าวนะนะในอันนี้ในแง่ของตัววัตถุนะในแง่ของเครื่องทายาธรรม ช่วยกันพิจารณาดิถึงถ้าใช้ปัญญาพิจารณาแบบนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นย่อมมีมากย่อมมีกว้างขวางมากกว่าอ้าวอันนี้ในเชิงของวัตถุมีคําถามไหมเอ่ยไม่มีนะอ้าวถ้าไม่มีคําถามนะในแง่องค์งงประกอบสามอย่างก็คิดว่าคิดว่าคงจะพอเพียงแค่นี้ก่อนถ้าจักองค์ประกอบสามอย่างนี้ท่านบอกว่าให้มาดูที่เจตนาด้วย ตรงนี้ต้องเน้นย้ำนิดหนึ่งเนียเจตนาที่ให้นั้นเรามีเจตนาอย่างไรตั้งเป้าหมายอย่างไรในการให้มีพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่พระสมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ท่านตรัสกับภาษาอริบุตรภาษาริบุตรมาถามพระพุทธเจ้าว่าการให้อย่างไรชื่อว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐในที่นี้พระพระพุทธพระสมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสกับภาษาริบุตรในที่นี้ขอสรุปเลยก็แล้วกัน ทุกพระสมาาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลบางคนให้ทานโดยที่ยังมีจิตหวังผลในทานนั้นมีจิตผูกพันในทานนั้นยังหวังผลว่าเมื่อเขาให้แล้วจะไปเกิดบนสวรรค์หรือจะได้รับอานิสงส์ต่างๆจากทานนะไม่ว่าจะเรื่องของลาบยศเงินทองชื่อเสียงสันเสริญความสุขนี่เรียกว่าให้ทานโดยจิตหวังผลจิตผูกพันในทาน การให้อย่างนี้ยังไม่นับว่าประเสริฐผู้ที่ให้ทานอย่างนี้หากตายไปแล้วจิตระลึกนึกถึงทานที่ข้าให้ด้วยอาการอย่างนี้ย่อมไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจะตุมหาราชกาเป็นสหายกับเทวดาชั้นจะตุมหาราชิกาเทวดาชั้นจะตุมหาราชกามนี่คือเทวดาชั้นชั้นที่หนึ่งนะ ชั้นแรกเลยนะก็คือต่ำสุดในเทวดาหกชั้นชั้นแรกเลยลักษณะอย่างนี้เป็นยังไงเจ้าประคุณขอให้ตายไปชาติหน้าฉันเกิดบนสวรรค์ขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่แหละการให้หวังผลแะจิตผูกพันในผลของฐานเป็นไหมเอาพิจารณ า, ากันเอาเองเนะี่ยพิจารณ า, ากันเอาเองอันนี้ถามว่าจิตเป็นบุญเป็นกุศลไหมมีจิตคิดจะให้แต่ใจยังหวังผลยังผูกพันในผลของทานนั้น ยังหวังว่าสิ่งที่ตนเองทํานั้นจะเกิดผลดีต่อตัวเองในอนาคตจิตใจยังไม่สูงขึ้นมาเท่าไหร่จิตใจถือว่าสูงไปบุญเป็นกุศลแต่ว่าต้องให้รู้นะว่านี่แสดงว่าอานิสงส์น้อยละสภาพจิตนั้นคุณภาพสมรรถภาพจิตนะยังไม่สูงมากเท่าไหร่ะเพราะฉะนั้นคนไทยเป็นกันมากเลยนะเท่าที่อาตมาสังเกตเห็นนะไม่ว่าจะทําบุญตักบาตรก็ตามหรือถาวายสังฆทานก็ตามจบสิ จบเสร็จแล้วก็อธิษฐานแล้วนะบางคนมีมาเป็นอะไรหนึ่งหน้ากระดาษเลยนะหนึ่งหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษกลัวขอได้ไม่ครบใช่ไหมใช่ให้ยอมรู้ไว้นะทานอย่างนั้นเนี่ยอานิสองส์อย่างมากก็เกิดบนสวรรค์ชช่นจตุมหาราชท่านั้นเองจตุมหาราชิกาท่านั้นเองดีกว่านั้นมีไหมมีพระสามาสัมพุทธเจา้าตรัสภาษาเรืบุทๆต่ออีกว่า ส่วนผูคคลผู้ใดให้ทานแล้วไม่มีจิตผูกพันในทานนั้นไม่หวังผลในทานนั้นแต่ให้ทานเพราะเห็นว่าเป็นการทำคุณงามความดีเห็นว่าการให้ทานนั้นเป็นการทำดีเป็นสิ่งที่ดีที่เราพึงทำเราควรกระทำจิตของผูคคลเหล่านี้สูงขึ้นมากกว่าหากตายไปด้วยจิตเช่นนี้ตายไปด้วยจิตใจเช่นนี้หมายถึงขณะที่ตายแล้วนึกถึงทานที่เขาให้ด้วยอาการเช่นนี้ ว่าเราได้ทำคุณงามความดีด้วยการบริจาคด้วยการให้เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงดาวดึงก็คือตาวติงสานะมีที่มาอีกนะเรื่องนี้เดี๋ยวเอาไว้วันหลังค่อยเล่าให้ฟังนะชั้นดาวดึงดาวดึงในที่นี้เป็นชั้นที่มีความสุขใช่ไหมเป็นชั้นที่มีความสุขนี่คือจิตสูงขึ้นมาอีกนะปกติเราเนึกไหม เออเราให้นี่เป็นการสร้างความดีเป็นการทําคุณงามความดีถ้าบุคคลให้เวลาให้เรารู้สึกว่าเราได้ทําความดีเรากําลังสร้างคุณงามความดีอยู่นั่นแหละให้โยมรู้ว่าจิตใจของโยมสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วสูงมากกว่าผู้ที่ให้ทานหวังผลให้ทานอธิษฐานว่าชาติหน้าของให้ร่ําให้รวยให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้นี่จิตใจสูงขึ้นมาอีกนะเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากหรือมีอา น, นิสงส์มากขึ้นมาอีก สูงขึ้นไปกว่านั้นบุคคลให้ทานไม่ได้คิดเพียงแค่ว่าเป็นการทำคุณงามความดีแต่ว่าให้ทานเพราะเห็นว่าปู่ย่าตายายของเราได้เคยทำมานี่คือวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งที่ดีงามเหล่านี้เราไม่ควรให้เสียคราวนี้ไม่ได้มองแค่ตัวเองทำความดีใช่ไหมมองกว้างออกไปสู่สังคมด้วย เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งที่จะเป็นแบบอย่างต่อไปให้อนุชนรุ่นหลังเป็นยังไงจริตใจของบุคคลเหล่านี้ดีขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะพระสมาะสมุทรเจ้าท่านบอกว่าบุคคลที่ให้ทานเพราะต้องการรักษาสิ่งที่ดีงามที่ปู่ย่าตายายหรือที่สังคมนั้นได้ทำมาหากเขาตายไปและมีจิตระลึกตถึงทานเช่นนี้ เขาย่อมเข้าสู่สวรรค์ชั้นยามาะชั้นยามาชั้นยามาสูงกว่าชั้นดาวดฤหิงนี่แสดงว่าจิตใจของบุคคลชนิดสูงมากขึ้นไปอีกประการถัดมาบุคคลให้ทานไม่ได้มองเพียงแค่ว่าให้ทานเพราะว่าปู่ย่าตายายทํามาแต่ให้ทานเพราะพิจารณาเห็นแล้วว่า สมณะเหล่านี้ไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพเองได้เนื่องจากมีวินัยบัญญัติเอาไว้สมณะเหล่านี้ทำคุณงามความดีเราพึงให้เราพึงสนับสนุนสมณะเหล่านี้ให้อย่างนี้เราเรียกว่าให้โดยการพิจารณาด้วยปัญญาใช่ไหจะให้อะไรจะให้อย่างไรจะให้กับใครแค่ไหนดูให้เกิดประโยชน์นี่เราเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณา ให้อย่างนี้ท่านบอกว่าหากบุคคลตายไปแล้วนึกถึงทานนัคือการให้อย่างนี้จิตของเขาอยู่ในภาวะของการให้ในลักษณะแบบนี้หรือนึกถึงการให้ในลักษณะแบบนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าสู่สวรรค์ชั้นไหนเอ่ยชั้นนักปราบราชบัณฑิตชั้นชั้นดุสิตนะชั้นดุสิตนะพระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถานั้นก่อนที่ท่านจะ ลงมาตรัสรู้เป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าท่านก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยแหละท่านสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นนั้นถึงบอกว่าเป็นชั้นที่มีนักป ร, รารถนาบัณฑิตมากเพราะบุคคลให้พิจารณาอยู่ตลอดนะพิจารณาอยู่ตลอดทําด้วยความรู้ทําด้วยความเข้าใจนี่ก็คือสวรรค์ชั้นดุสิตนี่สูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งบุคคลผู้ให้ทา น, นให้ทานนั้นไม่ใช่เพียงแค่พิจารณาอย่างนี้เท่านั้น แต่ให้ทานเพื่อเป็นการฝึกเพื่อเป็นการพัฒนาเหมือนอย่างฤาษีในอดีตหรือเหมือนอย่างบุคคลผู้ทําคุณงามความดีในอดีตหรือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตครั้นี้การให้ไม่ใช่ฉันได้อะไรล่ะแต่เพื่อพัฒนาฝึกหัดขัดกล่าตัวของเขาเองให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นฝึกหัดขัดเกลาวกิเลสในจิตใจของเขาจิตใจอย่างนี้ท่านบอกว่าจิตนั้นมีสภาพสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง หากบุคคลตายไปในขณะที่ระลึกถึงทานอย่างนี้หรือด้วยจิตใจอย่างนี้ย่อมเข้าสู่ความเป็นสหายของเทวดาหรือของเทพในชั้นนิมมานารตินิมมานารตินั้นท่านบอกว่าต้องการอะไรในรมิตได้ด้วยตัวเองเลยต้องการสิ่งใดในรมิตได้ด้วยตัวเองฉะนั้นโยมลองสังเกตนะบุคคลผู้อยากจะฝึกอยากจะพัฒนาตนเนี่ยเวลาเขาต้องการอะไรเป็นยังไงเอ่ย เขาก็จะข้นขวานในการที่จะสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมใช่เพราะต้องการฝึกต้องการพัฒนานั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจทำไมถึงเข้าสู่ความเป็นเทพในชั้นนิมานาะนรตีสูงขึ้นไปมากกว่านั้นบุคคลผู้ให้ทานนะไม่ใช่เพราะเพียงแค่ต้องการฝึกฝนตนเองแต่เห็นว่าเมื่อเราให้ทานเมื่อเราให้เมื่อเราบริจาคจิตใจเราย่อมเกิดความเลื่อมใส จิตใจของเราย่อมเกิดปิติย่อมเกิดความอิ่มเอิบย่อมเกิดความภาคภูมิใจย่อมมีความสุขเมื่อเขานึกได้อย่างนี้เขาจึงให้เขาจึงบริจาคเพราะเมื่อให้เมื่อบริจาคแล้วจิตใจเขาเกิดความปิติเกิดความอิ่มเอิบเกิดความสุขเกิดขึ้นจิตสภาพอย่างนี้เป็นสภาพจิตที่สูงมากในฝ่ายของการมาวจรเป็นสูงมากเลยนะที่ว่าสูงมากท่านบอกว่า บุคคลที่ตายไปในขณะที่นึกถึงทานที่ให้อย่างนี้หรือสภาพจิตปีลักษณะอย่างนี้ในขณะที่ตายตอนนั้นจิตใจเขาเป็นยังไงเอ่ยอิ่มเ อ, อิบพองไซปรับลืมนี่อยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดเลยนะคือชั้นป ร, รนิมมิตวต ส, สวัตตีป ร, รนิ ม, มิตวั ส, สวัตตีคือมีความสุขมีความอิ่มเ อ, อิบในขณะที่เขาได้ให้ พอเห็นปุ๊บเขาจะมีโอกาสได้ให้มีโอกาสได้ช่วยเหลือปุ๊บเขาอยากทําเพราะว่ารู้สึกมีความสุขมีความอิ่มเอิบในขณะที่เขาทําอย่างนั้นนี่ถือว่าสภาพจิตคุณภาพจิตนี้สูงขึ้นมาถือว่าสูงสุดในบรรดาสวรรค์หกชั้นละบาลานีมิตาวัตสวัตตีสูงขึ้นไปมากกว่านั้นบุคคลผู้ให้ไม่ใช่เพื่อให้จิตปีติหรือเกิดความสุข แต่ให้เพราะเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตของเขาเป็นยังไงให้เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตหมายถึงโดยเจตนาโดยจิตใจของเขานั้นปราทถหาที่จะให้กับทุกๆคนอยู่ตลอดอยู่แล้วจริงให้จริงบริจาคมีจิตใจที่เผื่อแผ่กว้างขวางไปไม่มีประมาณจิตใจอ ย, อย่างนี้เป็นจิตใจของใครเอ่ยของของพรหมนั่นเองนะบุคคลผู้มีปกติ ในการให้มีการให้เป็นเครื่องปรุงจิตให้ออกไปไม่ให้ออกไปกับทุกๆคนกับสรรพสัตว์แผ่ออกไปกว้างขวางอย่างนี้ท่านบอกว่าบุคคลที่มีจิตใจเช่นนี้คือจิตใจของพรหมเมื่อตายไปย่อมเข้าสู่พรหมโลกดังนั้นผู้ที่เจริญอปัพัญญาอปัพัญญาก็คือพวกเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาออกไปไม่มีประมาณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เขาจะมีลักษณะการให้ในลักษณะอย่างนี้เป็นสภาพจิตพื้นยืนพื้นของเขาเลยเพนั้นบุคคลเหล่านี้จึงเข้าสู่พรหมโลกเมื่อตายไปนะหากจิตใจของเขาสามารถรักษาภาวะชนี้ได้อันนี้ว่าโดยเจตนาในการให้นะว่าโดยเจตนาในการให้เนั้นปกติที่ผ่านมาเนี่ยโยมทำบุญโยมให้เนี่ยส่วนใหญ่จิตใจอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนโยมไปพิจรารณากเอาเองก็แล้วกันนะส่วนใหญ่เราอยู่ในชั้นไหน แต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะบางคนบอกว่าโอ้พ่อจะให้ไม่ได้ละฉันอยากจะเข้าสู่สวรรค์ชันสูงกว่านี้ฉันดูสิทธิ์เพราะฉันฉัน ต, ต้องพิจารณาก่อนให้ให้อย่างนี้หวังผลไหมแล้วตกลงได้แค่ชั้นไหนคิดเดาเองก็แล้วกันโนะยงไปให้เสร็จโอ้วันนี้จะทำมหาทานนะให้ให้เยอะแยะเลยเสร็จแล้วจะประคูณขอให้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกเลยนะตอนนั้นได้แค่ชั้นไหน ชั้นไหนเอ่ยอะจะตุมหาราษนนั้นแหละนะโยมขาดทุนเองนะเสียเงินเท่ากันนะแต่โยมตั้งเจตนาไว้ไม่ถูกมันฝึกสมัยนะฝึกสมัยนะอย่าไปให้พระหวังผลนะอย่าไปให้พระหวังผลมุ่งเพียงแค่ว่าเราจะให้ออกไปได้อย่างไรนะจะสร้างสรรสิ่งที่ดีงามเพื่อคุณออกไปอย่างไรในขณะที่ให้ให้มีจิตใจอิม่มเอิบผ่องใส มีปกติในการให้ในการช่วยเหลือในการแบ่งปันนั่นแหละถ้ายมให้ด้วยอาการอย่างนั้นนั่นแหละอา น, นิสงส์สูงสุดนั่นแหละโยมกาลังฝึกจิตใจของโยมโดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ใช่เพียงแค่ตัววัตถุหรือสิ่งของเท่านั้นอันนี้ว่าโดยเจตนาของการให้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าลิสไว้ยาวๆเนี่ยก็ลดลดลงได้แล้วเนาะ <laughs> ไม่งั้น <laughs> เดี๋ยวก็ไปเจอกันอยู่ชั่นจตุมาหาราชนั่นแหละ <laughs> สงสัยคนไทยจะไปอยู่แถว้แถวนี้เยอะนะ <laughs> เพราะส่วนใหญ่จะให้ในลักษณะอย่างนี้นะยกแต่โยมลองสังเกตนะบางครั้งเนี่ยโยมเห็นเสร็จปุ๊บโยมรู้สึกแหมอยากให้รู้สึกมีความสุขในการให้ขนาะนั้นเวลาโยมให้ไปนะโยมไม่ได้หวังผลว่าโยมจะได้อะไรจากตรงนั้นในขณะที่ให้อย่างนั้นใจโยมจะผ่องใสามากอิ่มใจมากเคยสังเกตไหมโยมลองสังเกตนั่นแหละคุณภาพสมรรถภาพจิตมันสูงขึ้นมาอีกมองอย่างนี้โยมจะเห็นว่าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเงินว่าจํานวนเท่าไหร่เลยใช่ไหมใช่ อยู่ที่เจตนาของโยมอยู่ที่สภาพจิตของโยมนั่นเองมันต่อให้คนถวายเงินสิบล้านร้อยล้านหนึ่งพันล้านแต่ถวายเงินหรือให้กับสงฆ์โดยส่วนรวมโดยตั้งใจบอกว่าขอให้ชั้นกิจการทํามาค้าขึ้นยิ่งกว่านี้ขอให้ชั้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ยังเก่งก็ได้แค่จตุมหาราชยังเก่งก็ได้แค่นั้นเท่านั้นเองมันในการให้ทานเนี่ยถ้าโยมตั้งเจตนาได้ถูกนะ ยมเสียเงินเท่ากันให้วัตถุเท่ากันแตถ่ถ้าตั้งเจตนาไว้ได้ถูกอั น, นีิสงแตกต่างกันเยอะเลยในสิ่งของในวัตถุอื่นๆแม้กระทั่งผู้รับอย่างเดียวกันอ้าวมีคำถามไหมในแง่ของวัตถุประสงค์ในการให้หรือเจตนาในการให้อันนี้ยกประสูต์ขึ้นมาให้ฟังเจริญทอนเจริญทอน จเจริญพรเจริพจริงๆในคำถามของโยมก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วน ะ, ะน ใ, นน ใ, วใช่ไหมใช่ <c oughs> ก็เหมือนอย่างที่อาตมาได้ยกตัวอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าในแง่ของการซื้อขายนะนอกจากในเรื่องของการเสียภาษีแล้วแม้กระทั่งในการทําธุรกิจของเราเนี่ยถ้าตั้งเจตนาได้ถูกนะในขณะโยมทาธุรกิจในการเป็นการทําบุญด้วยแม้กระทั่งการซื้อของหรือการขายของจะกลายเป็นการทําบุญไปในตัวเหมือนกับการเสียภาษีอย่างที่โยมยกตัวอย่างมาถ้าเรายุรู้เข้าใจภาษีนี้เป็นการที่เราเอาไปช่วยพัฒนาประเทศชาติ เป็นการที่เราให้น้ำใจต่อสังคมเป็นการเสียสละให้กับสังคมถ้ามองอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่และมันกลายเป็นอะไรเอ่ยเป็นการเป็นบุญกุศลไปในตัวเลยในขณะที่ยังไอยมต้องเสียภาษีแต่ละปีอยู่แล้วใช่ไหมถ้ายมนึกอย่างนี้คนในสังคมนึกอย่างนี้เป็นยังไงเอ่ยเขายินดีที่จะให้มันคนจะไม่เลี่ยงภาษีและเพราะยินดีที่จะให้เขาจะมีความสุขในการให้เกิดขึ้นรู้สึกว่าเขาได้ทำประโยชน์กับสังคมนั่นแหละการไปบุญเป็นกุศลไปแล้ว ถูกต้องอย่างนั้นเลยอย่างที่โยมได้ถามเอาไว้มันตั้งเจตนาให้ถูกโยมซื้อของขายของก็เหมือนกันถ้าโยมมองเห็นเสร็จปุ๊บฉันจะเอากำไรอย่างเดียวนี่อะไรเอ่ยโลภะใช่ไหมไอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในขณะที่ขายของในขณะที่ซื้อของอยากได้ของดีเอามาเสพอีกคนนึ่งอยากขายอยากได้กำไรเยอะๆนี่โลภะทั้งคู่จิตใจเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลแต่ถ้าโยมตั้งเจตนาเสือ่อมัย เอาละเรามีของสิ่งนี้เราจะเอาของสิ่งนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรขณะเดียวกันเขาเองก็มีน้ําใจในแง่ของการให้เงินเป็นการตอบแทนที่เราสร้างของสิ่งนี้ให้กับเขาถ้าโยมนึกอย่างนี้เวลาโยมพัฒนาสิ่งของเหล่านั้นโยมจะทํำยังไงทําโดยที่ลดต้นทุนต่ําที่สุดขายของไม่ดีก็ได้แต่หลอกขายเขาให้ได้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่โยมจะพยายามสร้างของสิ่งนั้นหรือทําของสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเออเราจะได้ให้กับเขา เป็นการแสดงซึ่งน้ำจิตน้ำใจเป็นการให้และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าทำอย่างเงี้ยการทำธุรกิจหรือการซื้อขายกลายเป็นการทำบุญไปในตัวเลยใช่ไม่ใช่เนี่ยแหละตั้งเจตนาให้ถูกเถอะเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย้เรื่องการซื้อขายเนี่ยเป็นเรื่องที่สมมติสมมติขึ้นมาในภายหลังแรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนใช่ไหมอา้าวฉันมีอันนี้เธอมีอันนี้เออฉันให้อันนี้กับเธอะเธอให้กับฉันฉันก็ให้กับเธอ ใช่ไหมใช่ถ้ามองอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยน้ำจิตน้ำใจของคนในสังคมเป็นเรื่องของการให้นะเป็นเรื่องของการให้อีกคนหนึ่งก็มีน้ำใจให้ตอบแทนมาเหมือนกันนะโยมทำงานโยมให้กับบริษัทก่อนใช่ไหมให้อะไรเอ่ยช่วยเข้าทำกิจการใ ห, ให้ช่วยเข้าทำหน้าที่บริษัทก็ให้อะไรกับโยมให้ผลตอบแทนมาว่าเออเธออุตส่าห์มาช่วยฉันนะเอาฉันแบ่งให้เอาผลตอบแทนเหล่านี้เธอจะได้ไปใช้เลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุข จะได้อะไร ป, ประกอบคุณงามความดีเพราะเธอให้กับฉันถ้ามองอย่างนี้ในแง่ของผู้ว่าจ้างหรือในแง่ของอผู้รับจ้างกลับเป็นบุญเป็นกุศลทั้งคู่แล้วจะไม่ทะเลาะกันใช่ไหมและทํางานด้วยกันจะกลับกลายเป็นมีน้ําจิตน้ําใจทํางานด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานกับองค์กรแล้วก็ต่อสังคมโดยส่วนรวมมองอย่างนี้ไม่ใช่ maximizing um p r o f i ใช่ไหม แต่อาจจะมาจะอาจจะเรียกว่าแมคซิมัยบุญกุศลใช่ไหมใช่อาตั้งเจตนาอย่างไรทําอย่างไรเออฉันจะให้อย่างไรกับบริษัทให้อย่างไรกับสังคมโดยส่วนรวมโดยผ่านอ่าโปรดักของบริษัทหรือแม้แต่กระทั่งคุณหมอฉันจะช่วยคนที่เข้ามารักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรเนี่ยช่วยให้เต็มที่ที่เหลือนี้เราช่วยเขาเขามีน้ำใจให้ปัจจัยในการยังคีพกับเราเราต้องขอบคุณเขาอีกใช่ไหม เขาเองก็เหมือนกันเราไปรับการบริการหรือเราไปกา ร, รับการรักษาเราต้องขอบคุณหมอเขาอุตส่าห์มีน้ำใจช่วยเราไม่ใช่ฉันมีหน้าที่จ่ายเงนินจ่ายเงินมาแล้วเธอจะต้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตั้งเจตนาได้ถูกอย่างนี้นะการทําธุรกิจการอยู่ร่วมกันในสังคมมันจะเปลี่ยนเลยปัญหาที่มีในปัจจุบันเนี่ยมันจะน้อยลงไปเยอะเลยการช่อราดบางหลวงการโกงหรือการที่ทําสินค้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะหมดไปมันต้องเริ่มต้นจากตั้งเจตนาอย่างนี้ให้ถูกต้อง เพฉะันอย่า ง, ยงโยมเองนะโยมจะไปขายสินค้าก็ตามไปขายโซลูชันก็ตามนะมีโยมถามเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอานะตมาก็ได้แนะนําโยมมาไปบอกว่าอย่าไปมองว่าเราจะไปขายเขาให้มองว่าเราจะไปช่วยเขาอย่างไรพยายามมองอย่างนี้ถ้าเรามองว่าเราจะไปช่วยเขาอย่างไรในขณะที่เราทําเราจะรู้สึกมีความสุขแล้วเราจะปรารถนาทําให้เขาอย่างเต็มที่และผลดีจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราทํานั้นมันจะกลับกลายเป็นสิ่งที่มีคุณภาพ ถ้าเป็นสิ่งที่มีคุณภาพผู้ที่ได้รับหรือผู้ที่ได้รับบริการหรือผู้ที่ซื้อของเราไปเป็นยังไงเขาย่อมเกิดความยินดีเขาย่อมมีความสุขเขาย่อมอยากอยากใช้บริการอยากซื้อของจากเราอีกใช่ไม่ใช่แต่ในที่นี้ก็อย่าไปมองว่าเราเป็นการขายให้มองว่าเป็นการไปช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการเอาความรู้ความสามารถของเรานั้นไปช่วยให้ผู้อื่นทําหน้าที่การงานเลี้ยงดูครอบครัวของเขาแล้วก็สร้างสาารรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม ถ้าโย ม, มองอย่างนี้ในขณะที่โยมทํางานอย่างนี้การทํางานของโยมหรือแม้กระทั่งการขายของของโยมการซื้อของของโยมกลับกลายเป็นบุญเป็นกุศลทันทีถ้าอย่างนี้ไม่ขาดทุนเลยใช่ไหมใช่เนี่ยได้ทําบุญทํากุศลอยู่ตลอดเลยโยมทําหน้าที่การงานเหมือนกันไม่ใช่ว่างานเยอะทุกครั้งที่โยมเขียนทุกครั้งที่โยมประกอบชิ้นส่วนหรือทุกครั้งที่โยมให้บริการตั้งจิตตั้งเจตนาให้ถูกเออเราให้กับเขานะเขาจะได้เอาไปช่วย ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นในสังคมเขาจะได้เอาไปช่วยสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามเขาได้จะได้เอาไปเลี้ยงดูครอบครัวของเขาเราจะได้ช่วยสร้างงานให้กับคนอื่นๆในสังคมเวลาโยมตั้งเจตนาอย่างนี้ในขณะทํางานโยมจะรู้สึกยังไงมีความสุขอิ่มใจใช่ไม่ใช่พอมีความสุขมีอิ่มใจอย่างนี้นงานที่โยมทํามันจะดีเองเลยโยมจะพยายามทํางานด้วยความรบอบคอบทํางานอย่างเต็มที่แต่กลับมีความสุขในขณะที่ทํางาน ถ้าอย่างนี้กลายเป็นบุญเป็นกศุศลไปทันทีนั้นตั้งเจตนาให้ถูกในเรื่องของการทํางานนั้นให้มองเป็นเรื่องของการให้หรือแม้กระทั่งมองในแง่ของการตอบแทนให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับประชาชนที่เข้าให้โอกาสเราทําให้เรามีการศึกษาใช่ไหมเราเรียนโรงเรียนยิ่งใครเดียงโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยภาษีจากรัฐภาษีจากคนที่เขายากลําบากจากเรากว่าเราเนี่ยเขาให้กับเราก่อนใช่ไหมการที่เราทํางานนี่คือเราให้ตอบแทนให้กับ สังคมเนี่ยตั้งเจตนาไว้อย่างนี้จะช่วยหรือสังคมได้อย่างไรจะทําให้เกิดคุณงามความดีในสังคมได้อย่างไรเราเอาจากสังคมมาเยอะเราก็ต้องให้สังคมได้ให้มากกว่ามากกว่าที่สังคมให้โอกาสกับเราสิแล้วให้โอกาสกับคนอื่นๆในสังคมด้วยถ้าโยมทํางานในลัศดรอย่างเงี้ยโยมจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาที่โยมทํางานไม่ว่าโยมทํางานอะไรนะแม้กระทั่งทํางานเป็นพันโรงนะเอามีเรื่องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะเดี๋ยวกินเวลาอีกสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะ มีคนไปถามพันธุ์รงที่นาซารู้จักใช่ไหมนาซานาซาก็คือที่องค์การวิจัยเกี่ยวกับทางด้านอวกาศของสหรัฐอเมริกาถามเขาว่ารู้สึกอย่างไรที่มาทํางานเป็นพันธุ์รงเขาบอกอย่างนี้เขารู้สึกมีความภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทําความสะอาดเพราะถ้าไม่มีเขาที่ทํางานย่อมสปกปรก ใช่ไหมใช่เมื่อที่ทำงานสกรปรกที่ทำงานรกไม่สะอาดอย่างนี้การที่จะไปคิดยานไปอวกาศหรือการสร้างสรรสิ่งที่ดีเหล่านั้นหรือเทคโนโลยีอย่านั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเขามีความภูมิใจมากที่เขาได้มีส่วนช่วยในการส่งยานอวกาศไปอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยการรักษาในเรื่องของความสะอาดในสถานที่หรือในองค์การอวกาศแห่งนี้เป็นยังไงเอ่ยคนนี้ เวลาทํางานโอ้ภูมิใจอิ่มใจมากเนี่ยนี่อยู่ที่เจตนาอยู่ที่มุมมองของเราอย่าไปดูถูกงานนะว่างานเราดีงานไม่ไมใช่หรอกงานทุกงานมันก็เหมือนจิ๊กซอหรือเหมือนกับฟันเฟืองในสังคมมันฟันเฟืองลเล็กๆถ้าฟันเฟืองฟันเฟืองหนึ่งทํางานได้ไม่ดีมันก็อาจจะทําให้ระบบเรรูนได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่มันอย่าไปดูถูกอาชีพ อ, อื่ น, นๆเขาก็เป็นฟันเฟืองอย่างหนึ่งที่ช่วยกันขับเคลื่อน มองว่าทุกคนกําลังให้กับส่วนรวมให้กับสังคมให้คุณงามความดีเกิดข่านกับสังคมยมนั่งสําร้อยมอย่าลืมขอบคุณสําร้อนะใช่ไหมใช่ไม่มีเขาไม่มีคนทํางานอย่างนี้ยมไม่มีสําล้อขี่นะใช่ไหมใช่เหมือนกันกับแท็กซี่กับงานอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นแต่อันนี้เดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังต่ออีกนะแต่วันนี้ว่าวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะเดี๋ยวเล่าไปเล่ามาเดีย๋ยวจะเกินเวลาไปเยอะในี้เรื่องของทานในส่วนนี้ถ้าตั้งเจตนานได้ถูก นะย่มจะเห็นว่ามันกลับการเป็นบุญเป็นกุศลได้ในทุกขณะเลยน ะ, จะเจริญพรอ้าวมีคำถามไหมไม่มีนะเพราะว่วันนี้อาตมาสรุปให้นิดหนึ่งวันนี้อาตมาได้พูดถึงเรื่องของบุคลบนะ ค, ค, บคลผู้รับนั่นคือปฏิคาหกว่าบุคคลผู้รับนั้นะแบ่งออกเป็นสองอย่างคือสังคทานกับปฏิบุริกทานนะแล้อย่างไรมีอ น, นิสงส์งมากกว่ากันอาตมาได้อธิบายแล้ว ในแง่ของสิ่งของที่จะให้มีหลักในการพิจารณาอย่างไรแล้วก็ในแง่ของเจตนาในขณะที่ให้เราตั้งเจตนาไว้อย่างไรในการให้ซึ่งอันนี้สองแตกต่างกันแล้วก็เสริมจากที่โยมได้กล่าวถึงเอาไว้ว่าถ้าตั้งเจตนาได้ถูกทุกครั้งที่เราทําหน้าที่การงานหรือทําทุกๆอย่างนะเป็นการให้ได้ตลอดแล้วก็เป็นการทําบุญทํากุศลได้ตลอดเดังนั้นตั้งเจตนาให้ถูกทําอย่างนี้ในตลอดเวลาแล้วเราก็โยมได้ทําบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน เอานะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็คงจะขอจบนนในเรื่องของการบรรยายธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้นะลำดับต่อไปขอเชิญโยมแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์พร้อมค่ะ